หลักปฏิบัติของชาวพุทธในเมื่อพระองค์รู้แจ้งเห็นชัดอย่างนั้นทำอย่างไรหนอมวลมนุษย์มันจึงจะไม่ทำบาปจะต้องอาศัยอะไรเป็นหลักในการปฏิบัติศีลห้าเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมาแล้วแต่ศีลห้าก่อนพุทธกาลนี่เขารักษากันอย่างนี้เช่น อย่างไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ทางทิศตะวันออกฉันจะไม่ฆ่าแต่ทางตะวันตกฉันฆ่าได้ทีนี้บางคนก็รักษาข้อปานาบางคนก็ข้ออธินนาทานบางคนก็กาเมสุมิจฉาจาร์บางคนมุสาบางคนสุราคือมันไม่สมบูรณ์แบบครบทั้งห้าข้อในเมื่อพระองค์มาตัดสรู้แล้วมาพิจารณารู้ว่า หลักเกณฑ์ที่จะทำให้คนทั้งหลายละบาปนี่คือศีลห้าข้อพระองค์จึงเอามารวมกันเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็นำมาประกาศให้เรายึดเป็นหลักปฏิบัติสัพพาปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการรักษาศีลห้ากุศลสูปสัมปทาก็คือการบาเพ็ญสมาธิภาวนาให้ทานรักษาศีล ในเมื่อมีศีลห้าแล้วก็คือกุศลสูปสัมปทาอย่างกุศลให้ถึงพร้อมที่นี้มาบำเพ็ญสมาธิให้จิตมีพลังมีสติสัมปชัญญะมีความรอบรู้รู้จริงตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดได้ที่เรายังฝ่าฝืนกฎของกรรมอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้จริง ถ้าเรารู้จริงแล้วเนี่ยเราจะกลัวไปหมด